โลกนี้ธรรมโลกเขามีส่วนผสมมากมายต่างๆนิมยนเขามาคุมกรรมเขามีส่วนผสมมากมานเึ่นเดู่กัน ท, ทุกเส้นทุกตัอต่างๆเป็นๆเวลาออกะระโัดกระเพ่าต้างข้างแรกคอมคอมมีสิ่งเรียกแสงที่เกิดเป็นอะไรมากงามการปฏิบัติก็ง่ายการสังเกตก็ง่าย แล้วย so no ังอื่นที่เปเครื่องกระบอกทางก็ง่ายเ้าไม่มีหนาไม่กาดกรงานี่ตกเพรับนานนานนานนนก็้อมีเครื่องเรื่องแสงที่ไม่เยอะและเครื่องเรื่องแสงเรานั่งคช้กลายเป็นความจำเป็นขึ้นมามาปิดบังความจริงที่จรินจะมองไม่เห็น บางศาสิร์บางวิาณทั้งนั้นทางคำมักบงังศาสตร์งฆ์ก็ไม่มักบางวดียาสงเราจะเห็นได้ในวิธีการต่างๆที่เกี่ยวกับศางนาตั้งหน้าตั้งตาสนุกทเนียนพิธีต่งางๆเ่ยวกความจริงของของศ า, าสานาโดยแท้ นั้นมีน้อยมากวันนี้ผู้จะสังเกตเอาความจริงนั้นก็ทําเกบได้ง่ายนักมามองดูสิ่งทระยุสมที่อยู่นอกร้านหรืออยู่หน้าร้านนั่นนกประยุกต์เอาสิ่งที่อยู่หน้าร้านนั้นไปที่อยู่หลังร้านต้องคันต้องคันก็ไม่เหมือนกันถ้าแต่ก่อนก็เป็นหน้าร้านสิ่งของหน้าร้านือสินค้าหน้าร้าน ต่อมาก็กลายเป็นหลังล่างันถึงการแปลงเท่าไรมันก wow. ็มาอยู่ที่หน้าล่างตาไม่ถึงก็ไปถึงแตะก็ทู่หน้าร้างนีนดถึงยนต์สาตระหนักทันทันสองทันก็จะไปทันยนเข้ามาถึงตัวของเราจะเข้ายางยืนตั้แ่ใจ อันนี้ต้องไปกินเพื่อแสงคิดออกมาใวขณะใดเรื่องใดมี่เปเรื่องเพื่อแสงเพราะนั้นเห็นความจริงไม่เท่ากันคือที่ประยุทธ์คือที่ทททิบัติัต่จะแก้ไขว่าอันใดผิดอันใูนนนกิง้วท้องถิ่ไ ม, ม, ม่เคยออกเพราะอันนี้ไปกินปลอมๆนั่งหลอที่หน้าร้านนึงก่อนเลยอาจก็ออก กอนแล้วจำนวาเขาอยู่ที่ปากข้อเขาเกิดประตูไม่เขาออกก่อนถึงจำกร อ, ออกกระเดิงเงื่อนลายก่อนเนี้ของกินยังไม่ได้ออกแลวตุดค้าจะมีเกิดความจำกรเต็ปมประหนึ่งองกินในกระดุกกระดุกไม่ได้คือหาทางออกไม่ได้ท่านชิดคิ ด, ค ด, คดเรื่อนของที่เหลือสติปัญญากิบค่งางทางที่เลื ลลายมือที่เหลือจะไปใ้าครอเืงมือที่ดีชื่อจะเหม่อมกรสิตวญญาที่เป็นอัดเป็นคันดีมาแย่งเอาของความหลับความจิงที่ประเทศจีนจะง่ายเลยก็ดูจิตตัวไม่้นท้าที่มีมากมากก่มีนผู้ปฏิบัติจริงลำบาก มีนักสื่อเอจาาถึงลบากและอะไรเป็นปัจจัยหนาและอะไรนีครับมันมีมันจะยึดเกี่ยวแสงไปหมีไปปัจจันาแม้เพียงอยู่ตามบ้านตามเรียนทั้งคนแม้จะอยู่ในวัดก็ยังเกี่ยวไปยึสอนี้ของจริงนะก็ปรากฏอันลาบากที่จะปฏิมตความยุ่หต่าง มันก็เป็นเรื่องโลกทายทำให้ลืมตัวอย่นี้นันก็ปือนอนน้นอยู่ทายในวัดในศาลไม่อย่ที่ไหนเพรามันปื้นอยู่ในบุคคลอีกบุคคลในวนัดในวัดวัดไหนก็ตามถ้าเป็นนัน่นก็จะจะจะเรื่องว่ามันปื้นขึ้นเดียวคกัจะจะนในวัดวัดป่าวัดบ้านอะไพระป่าพระบ้านพระอะไรถ้ามันปื้นไปเรื่องของ คืว่าภูมรหลังเกิดจากศานาอย่างนั้นมันก็เรียกว่ามันปรอมไปดูดงามยกตัวอย่างขช่นพุทธะคาราะยังชืูนไม่ได้ถ้าอย่างไรถ้าใครว่ามีใส่ใส่ใส่ใหลายถ้ายอยดีๆก็เห็นเป็นี่ตรงสิ่นชมทำ เรืงนี้้อเกิดมีขึ้นมาตามสิ่งอย่างนี้ก็ตามสิ่งที่สองก็เป็นความสั่งสอของผู้นั่นคือเองเรื่องคนใจต้องเกิดได้นั่นแหแสดงหาอะไรนะถ้ากดอันนั้นกลุ่หมาคุณนั่นก็รู้อย่าพึ่งหากความตั้งใจในสิ่งใดคุณนั่นก็อับเ เนื้อขาดภาพประับความหลักความจริงของสภาพอากาศอีเป็นองอนจิตใจก็อัดเขาเ้าเหม็นไม่มีความเลื่อนไหวทางนั้นเลยี่เเรื่องความที่อยู่ทางหน้าอเติมหมดในวงตัดต่างนวงคูประทับในวงซักงเลยในวงุทธเดให้เต็มไปด้วยสิงการกลางสิ่อแสง ทีนี้เราจะตําหนิผู้ใดถ้าตําหน่ไม่ได้ถ้าต่างคนก็เป็นแต่อย่างนั้นเนื่องจากไม่เขใจไม่รู้แม้แต่ผู้แสดงเวลานี้ก็ไม่ได้ถื อ, อ, อว่าเป็นผู้เป็นข้าราชารอะไรเลยจะเป็นเพื่อนเดียวกันกับพวกเราทั้งหลายที่ตั้งทั้งหลายคนทั้งหลายนยั่นเองเราเป็นความเป็นใจความทั้งเจ็บนอกความจริงความเครื่องแสงมันมีหรือไม่มัมมนมีมากน้เกียงใด คามจริงอยงู่อย่างไรนี่เราพอที่จะเทียบพระที่สังเกตได้าจากหลักทมที่ต่อพระเจ้าทรงสั่งสอนและดำเนินมาตั้งแต่ตั้งคู่ต่างมาถึงหมัยปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบฤฤฤฤฤฤฤัติปฏิยาการเสรีความมุ่งมัน่นความตั้งอกตั้งใจนี่มีแตกต่างกันอย่างไรบ้างนี่เราพอเทียบเียงกันได้ก็มีหลักมีเกณฑ์มีกำลังางานแล้ เนื้อเราจะไม่พราบในทางใจดูชัดเจกนสตาตงค์ขนนาก็มีที่แจงแบบเนทั้ ห, หลายขอก็ทราบบ้างเนือทังผูกครอแล้วมมีความตั้นโหลดแม่มีความมากมายก็อย่างยิ่งในวงของพรบอันนี้กาเป็นธรรมออกนอกออกตาในขั้งผิ้ปกครางเราแดงสั้นเรือพระป่าขาทีกิดการชั้นเรือพระป่าขาเรื่ายๆคพูดที่เนไป กับเคื่องทางแทกที่ดุจอาวุธที่เป็นเครื่องสำนักที่ดุจอาวุธันเลยครับาเราื่องคเป็นเครื่องเป็นเรื่องเกา่าเป็นอัศวิก า, าเป็นผู้มักน้อยถ้ามามักน้อยทั้งหลักข้าวนั้นชาเลยครับแต่ทั้งหลักข้าวญาติมิมิสุกันมากแค่เกิดเข้าใจกันค่อนข้างที่จะว่าก็เป็นผู้ควรจะปฏิบัติในคำก่อนนี้มีอยู่ เป็นธรรมกันเป็นตั้งแต่ต่อว่าได้เส่นเดียวกันในแขนงที่จาเป็นหรือในส่วนที่จาเป็นเราะมักน้อยก็มีมากมีน้อยเชยนไรก็ตามทีม่รศรัทธายเดิมก็นำมาถวายแต่ต้องการเพียงน้อยๆเท่านัา้นให้เป็นเครื่องงโยงก่อโยงก็เป็นสุดทึงที่โยงสุดทึงที่เลย แสดงความโน river, ้มควาน้มเอีมากขึ้นซึ 1988, late, so, so people, so ่งต so ิดกัหลักธรรมของผูกแก้ที่เหลือยึดติดจากตักคู่ปฏิบัติเพื่อความแกที่เหลือเอ่ออสุจิตตาตาคือความมัดน้อยมักน้อยทุกสิ่ทุกอย่างที่อยู่เกี่ยวกับตัดใจเผยแพร่ต่างๆที่เป็นเครื่องอาศัยมีความมักน้อยทั้งนั้นเพื่อความมักน้อยเนอารมณ์เป็นเครื่องประกอบจิตใจพันโดคือความ ยินดีตามมีกามน้อมีมากมีน้อยแค่การเกิดตารมีมีขยับขึ้นมาเป็นกางกลางคือไม่เด็กเกี่ยเป็นภาพทั่วไปสำหรับผู้ปฏิบัติมีหน้ า, น า, นาที่แหกพระอาศังจักรมีการสนารอนไม่ทุกปีในระหว่างปฏิบัตกัน ไม่คู่ดีดีแต่หนุนหนุนเื่อสังขาริกาไม่ดีด้วยอยู่คณะซึ่งไม่จาเป็นวิเรพตาเกาะให้อยู่ในที่สงบ้งบปราศจากกลิ่งรบกวนทางลูกทางเสียงทางกลิ่นทางเนร้อเรื่องของตับต่างๆซึ่งเป็นไปต่อจิตใจวิริยาลัมพาสอนให้ประกอบความภาคเพียงในยาบททั้งสี่ให้เป็นไปด้วยความภาคเรียน อันเป็นไปเรความแขร่งที่เร็วเปถ่ายดีเลอนเสียตลาดเท่านั้นสีเป็นซอไม่เป็นที่ระมัระวังความสีเงี้ยคนให้เชื่อมต่อกบกบวนหยักที่ทรงแข็งแรงเลยละสมที่แสดงถึม่ความสงบทธิความน่มเยนของใจแสดงถึงความมั่นคงของัจอันเป็นหน้าแข็ทั้งคันที่จะเป็นเรียงหรือเป็นเครื่อง นุ้นพระกิจปัญญาเมืเ่อเราสต้นไเกิดความเพลียละลาดทันกับความต้องการยุมุตหรืเมื่อสมาธิเมื่อปัญญามีความสามารถเกิดขึ้นความดยุดต้นก็ต้องเกิดขึ้นในสถานที่นะยน่ยมุติยาทัศนะความยุ่งแยงทัศในความหยุดต้นท้องตนเขาเปรกากฏขึ้นในขณะเดียวกันมีเรียกว่าสังเระทัศนา จากจากับาัวการขัดข้อนพิลุมีเป็นหลักความที่จะมาตั้งโครงการข่านพัดดมหนินกันมาเป็นร่ำเป็นสนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นกสิทธิาาอย่างแท้จริงนีรายเอียดความของจรินี่ทำของกรอมก็แยกจากนั่นไปโกงเงินข้ามโกงเงข้ามด้วยไปหมดถึเวลานี้มันมีแต่ความโก ง, งข้ามเท่านั้นขับติชะตาให้มีความมากน้อยแล้วเราดูที่ทุกวันนี้เป็นยังไง นักน้อยไหมนี่ทำโกงข้ามหินแบบนีน้มันไม่มีแค่จะพูดว่ามันไม่มีกระูกไปแลัิาตามันเป็นมหิตากายังควา ม, มากมากถ้เไม่มีเงินพอจะเป็ น, านการขผลที่ไม่มีเงพอนั่นเองผลโดดคือความดีการมีความน่ า, าแต่ความตอบเหลงมันก็มี้นมอไย ไม่ใช่เป็นความตันโดษพระงค์ส่องแสความตั้งใามมีอยู่แล้วและแสดงปิยามาในทางตาตะการทางวาคาตะการแม้แสดงมาทางจิตก็ยังไม่ใช่สันติสิขธรรมยินดีการทีสร่ส <antas> ul ิ <iveness> <ul. In S 1> ่งที่เกิดที่นี้ขึ้นมาด้วยความชอนธรรมภาษาทางนิกาาไม่คุทธีไม่คุทธีอะไรมันรุ่งกันอยู่ตลอดเลยนะภาษาหยันเมื่อไ่ว นั่งที่ไหนคุยกันเป็นเร да um, yeah. hmm oui? well> ื่องโลกเรื่องส้นรามไม่มีคือเรื่องอัดเรื่องพานเรื่องกระพร้อนยิ่งเดกอาวบ้านเด็กจะไม่แสงยังไงจะไม่กอมได้อยังงนี่ไม่เห็นไม่อย่างทัดๆที่เราไม่รู้ตามทางทางด้านติดใจกับการแต่ก็มีข้อเทียบเทียงในหลักปฏิบัติที่ท่านเป็สอนนด้นดำเนินมาตั้งแต่ครั้งที่ต่างๆที่เรียกตามันยุ่งยกที่ไหนที่ไหนเป็นที่เร่ มีไทยบ้างที่จะคิดกเกาะเสือหาที่เรียกถงัดเพื่อกาจับที่เลียกอาเพราะขึ้นตึงขึ้นมาหมอนหยู่ถ่ายมาและก่อนควรตรงโดยสม่ำเนี้ไม่มีการกระชานที่หรือว่างเวล่ะไทยเหล่านี้มันไม่ได้เห็นมันค่อนข้างจะมันเป็นไทยนะจิตใจทั้งตัวเองแต่ก็เข้าใจว่าไทยอันนี้เป็นตนเป็นท้งตนเป็นเราเป็นท้องเราเป็นสิ่งที่จะส่งเสรมให้มีมากขึ้นโดยง่าย มีความประหลดตกใจว่าสิ่งนี้เป็นใครตามหลักธรรมที่การสอนไว้บ้างเดยวิญญาลัมพามเพี้ยนในทางไหนนี่มันโกงกข้างกันทั้งนั้นวิญญาลัมพาก็เพี้ยนถอดถอนพิเดตโดยลําดับมันก็ออกเกิดขึ้นมาทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสเรืทงทางผัสหรือธรรมารมที่ขึ้นภายในใจซึ่งเป็นพิเดตด้วยแล้วต้องพยายามแก้ไข ดับแปงที่ขถอดถอนด้วย ส, สีอัญญาตัทธาคมเพียยเ้ยนไปเลยสำหรับสมมุตเย็นแต่หนัเท่านั้นเรียมันทีกกันไม่ทราบมันมีหรือไม่มีะว่าทิเป็นยังไงได้ยินกตบชื่อ อ, าาอา่านตำรักตำราอ่านแค่เพืแล้วมีน้ำลายทิดห่องบทมันติดต า, ดากิดใจกตพอเอาชื่ออง สมาธิมันยืดมันถึงแต่ตัวสมาธิองค์ของถึงหรือองค์สมาธิไม่เคยปรากฏภายในจิตใจนั่นเลยปัญญาที่ถึงเรือร่องสอบสอนเฉลี่ยนั่นก็มีแต่ปัญญาความที่จะสั ง, สงเกตเฉลี่ขึ้นมาซึ่งคารหลักธรรมศาสตรนท่านเอาคำเขานั้นไม่มีอย่างนี้ได้มุกความบุดค้นมานุดค้นที่ตรงไหนได้เมื่อทางเดินไม่มีจุดที่หมายจะถึงได้อย่างไร ในโกงกันข้างตรงข้ามเห็นก็คาดเดีย่างนี้ในสมัยพุทธกรารกับสมัยปฏิบัติไม่ว่าเราว่าภาพมักจะเดินตรงข้ามโกงข้างกับหลักความจริงได้หมดเราจะนั่งศาสนาจึงมีสิ่งที่กลมแปลงมากมายสาก่อนในถ้าลูกมาในข้อปฏิบัติในตัวของเราเองถ้าเราได้เอานําำทำทั้งจิตกรารนี้มาเทียบเทียงกับจิตใจของเราแล้วเราก็จะทราบว่าเรานีกร อ, อยู่ในพุทธศาสตร์ศาสนาไม่น้อยแต่เป็นภาพควอมกลม อยู่ในตัวเองกับจับตอมอยู่ในจัสนาหทานเทศของพระเป็นพระวดาันก็เป็นทั้งชั้นเลไปเช่นเดีวกันเพราะการคนต่างมุ่งความอัปคะมุ่งเความนำหลักความจริงมืวยกันแล้วจะจะต้องเห็นจิ่ตที่ตอมอยู่ในภายใจิตใจเช่นเดียวกั น, น, กนดเพราะกิละะเล ส, มมนน ส, เสเเไม่ยอมว่าพระวาฤทระต้องเป็นกิเลสวันยั่งชั้นที่มีอยู่ในจิตใจของผู้ใดและต้องเป็นไปด้่ยกัน ไม่เลือกเท็ไม่เลือกผักท่านนั้นนะครัผู้ตั้งใจจะพึธทธปฏิบัติก็ควรไปเห็นหลักความจริงก็บสิ่งจองปลอมที่มันเคลือบแฝงแล้วพยายามแก้ไขดัดแปลให้เป็นไปตามพิสุทธิกำลังความสามารถของตนเราก็จะพอมีความมุ่งมั่นตรงสงๆสมากับเราถือพุัธศาสนามาเป็นชาวพุทธนีแนวหลักความจริงของศาสนาที่เราจะเทียบได้ ทุกวันนี้มันจอมปรอมไปมากน้องเังงกับความจริงมันเข้ากันได้ไหมแค่จะพูดเดีวมันเข้ากันไม่ได้มันตรงข้ามตรงข้ามหันรลังให้กันในทั้งนั้นเพียงยกตัวอย่างขึ้นมาในําสิบข้อนี้เท่านั้นเราก็ทราบแล้วว่ามันโกงข้ามเลยเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหรือมันลบล้างทาที่จริงทั้งหม อปิจาตาอปิจาตาก็มาหิตตาลบล้างเสียเนี่ยคือความมากน้อยนั้นก็มีความมากๆลบล้างไปเสียความพอดีก็คือความเลยเถิดเป็นผู้ลบล้างไปเสียอาจารย์ศาสนิกาไม่ให้ทุกขีก็คือการมั่วขุมนั่นลบล้างไปเสียพิเภกตาชอบในที่สงัดตัวหาเครื่องบำรุงบำเลิมมาคองเต็มอยู่ภายใน บ้านในเดือนในกุฏิอาหารเต็มไปหมดมันลบล้างกันหรือไม่อย่านะวิริยลำพามก็เพียนแต่สิ่งแ่บนี้มันไม่ได้เพียนเพื่อแก้กิเลสมันลบล้างกันได้หรือไม่มันลบล้างกันทั้งนั้นพูดไปโดยลำดับน่ะมันก็มีการลบล้างไปโดยลำดับความปลอมมันแหละลบล้างความจริงความจริงไปเรื่อยๆความจริงเราไม่มีถ้ามีก็มีแต่ความจําเลี้ยนตาม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 การกล่าวทั้งนี้เพื่อจะให้เราได้เห็นความจริงและความปลอมซึ่งว่ามีอยู่ในสถานที่ใดบ้างมีอะไรบุคคลผู้ใดโภพนัิโกต้องน้อมเข้ามาสู่ตัวของเราให้ทราบว่าอันไหนจริงอันใดปลอมเพื่อจะได้แก้ไขดัดแปลงเพราะสิ่งที่มีอยู่ภายในตัวของเราถ้าเป็นสิ่งที่ชื่อก็ทําลายตัวเราหรือดาวีตัวเราอยู่เสมอถ้าเป็นสิ่งที่ดีก็เป็นสิ่งที่ปจตุยงจิตใจของเราให้มีความใจมุ่งมั่นต้องหมตุกอุ่นหัว มันมีอยู่ภายในจิตนี้จึงควนน้ําเข้ามาที่นี่ท่านเรียกว่าโอปะนะยิโกทางธรรมต้องฟังเข้ามาอยากฟังออกไปข้างนอกคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีมันเลยเป็นเครื่องส่งโซนกิเลสตัวเองมันเป็นความหยิ่งก็คนอื่นไปเคียดโดยไม่เห็นโทษของตัวเองว่าความหยิ่งนั้นคือกิเลสน้อมเข้ามาภายในจิตใ เราจะได้เห็นทั้งความจริงความปลอมที่มีอยู่ในตัวแล้วก็กําจัดปัเปล่ากันมาจากฐานที่มีอามันค่อยหมดไปหมุดไปไอ้เรื่องธรรมคือความจริงนั้นเราไม่ต้องกระชามที่ไหนจริงอยู่แล้วมีอยู่ภายในแต่พระโยมตัวไม่ขึ้นเพราะริงจอมปลอมทับผมโจมตีกันอยู่ตลอดเวลาเขาดิบตัวออกมาเป็นความจริงแน่นิดหนึ่งก็ไม่ได้นะเหงื่อเรื่องความปลอมของศาสนาปลอมทีการของมุกคล ไม่เด็ดป้อมอยู่ที่พระพุทธเจา้าไม่เด็ดป้อมอยู่ที่าศาสนาธรรมแต่มันป้อมอยู่ที่จิตใจของชาวพุทธเราเราจะต้องการทราบความจริงความปลอมแล้วก็ค้นควาน้าพขานภายในจิตใจของเราที่เทียบกับโอกันนะอีโกเราเห็นสิ่งใดแล้วก็เทียบเทียงกับตัวของเราได้ยินได้ฟังอะไรก็เทียบเทียงเข้ามาสู่ตัวของเราเพราะมันมีอยู่ที่นี่ด้วยกันเราก็จะมีทางแก้ไขดัดแปลงให้เต็นไปทุกความราบรื่นดีงามดูสม่ำเสมอ เราก็จะเห็นความเจริญรุ่งเรืองทายในตนของคนนละในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นความเจริญของศาสนาว่าเจริญที่ใดกันแน่ไม่ใช่เพราะศาสนาไม่ได้เจริญที่ตู้ที่หีบที่คอมภีิวเานสําหรับตําลาแต่มันเจริญอยู่ที่จิตใจของคนเขื่อมก็เสื่อนที่นี่การดใดทําไมใดที่ศาสนาเขื่อนจากจิตใจของคนการนั้นสมัยนั้นรูปกลุ่มนั้นจะต้องแสดงคดวามเแยดร้อนเป็นผลให้ปรากฏขึ้นมา เพราความเฉือมของศาสนากับความจเจริญของกิเลสกันหาอวสหขึ้นเป็นเครื่องยาวิที่เป็นข้าศึกนั้นมันเกิดขึ้นในขณะเดียวกันการใดที่ศาสนาจเจริญภายในใจิตใจนี้เกิดในบุคคลผู้ใดกลุ่มใดชาตท่า น, น, นดรรณะใดท่านเหล่า น, นั้นนหะจะเป็นผู้มีความจเจริญรูปงเรืองมีความสงบร่มเยือ ศาสนาให้ความสงบร่มเย็นแก่นคนเท่านั้นสิ่งที่ไม่ให้ความสงบรบง่มเย็นแก่คนก็ได้แก่กิเลสที่เรียกว่าเทวภาพซึ่งเป็นผู้ผู้ปราบการกัปธรรมดังที่พระเทวภาพเป็นผู้ปราบกักกบพระผูทธเจ้าสิงจําลอมคู่กิเยสทั้งหลายก็เป็นผู้แข่งเป็นศัตรูการกับธรรมเมื่อธรรมเจริญสิ่งเหล่านี้ก็ค่อยเสื่อมลงไปเมื่อธรรมไม่มีอํนนานาจเพอเจ้าของไม่สามารถที่จะทําให้เกิดให้มีขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะติดกิเลสขึ้นทําลายธรรมซึ่งดีอยู่ภายในจิตใจทั้งตัวอยู่ที่ไหนก็ร้อนในเราไม่ต้องไปถามหารน้าโลกอเวกีที่ไหนผู้ที่รับดีผู้ทีรท่รับสิ่งเอาเคราะร้ายอยู่ตลอดเวลาก็ขูดใจซึ่งเป็นผู้ผิดพราะร้อนขึ้นมาภายในจิตใจทั้งตัเราดูที่นี่เราก็รเพราะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติองค์กรุณายังกรุณาให้ เรียนเข้ามาที่นี่ศึกษาเข้ามาที่นี่เราจะได้หายสงสัยว่าศาสนานั้นรวมอยู่ที่จุดใดซึ่งเป็นจุดสําคัญและเป็นภาชนะสาคัญที่รับรองศาสนาธรรมได้โดยสมบูรณษาษาจุดสถานที่ใดถ้าไม่ใช่ใจมีใจนี้เท่านั้นเป็นสาคัญกายวาจาที่แสดงออกในทางใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับใจซึ่งเป็นตัวบ่งกลางรใจรับการอารมดีแล้ว กิยามยากาปรปฏิทุทางกายวาจามันก็ดีไปด้วยซัำความเสื่อมของศาสนาไม่ได้เสื่อมที่คำพูดใบหลังแตส่อมที่จิตใจความเจริญของศาสนาก็เจริญที่จิตใจความคิดแบิของผู้นักศึกษาศสนาแล้วความสุขที่ความสงบสุขที่เกิดซึ่งเป็นผลก็เกิดขึ้นที่ใจที่มีธรรมนั่นแหละ นรกอเบจีที่แสดงอยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็คือแสดงอยู่ภณยจิตใจซึ่งมีกิเลสเป็นตัวผิดขึ้นมากิเลสเป็นเรื่องผิดความทุกข์ทุกข์ที่เป็นผลกับปรากดขึ้นมาถ้าถามที่ใดจิตอะไรเป็นจุดที่ผิดจุดนั้นก็เป็นจุดที่รุ่มร้อนแล้วเราจะหมายถึงอะไรซึ่งเป็นผู้ผิดก็ได้เจตใจผู้คิดเมื่อกิดตรองอยู่ตลอดเวลาตรองในทางผิดก็คือว่าผิดอาญาผิกขึ้นมาเพ้าร่นตนเองถับ uh ผิดในทางที <Con> <moi> <wers> ่ด <Wat> ี ก็เป็นความร่มเย็นเป็นสิทที่เป็นทําขึ้นมาแต่งเสริมติดตใจให้รับความสะดวกสมายอยู่ที่ไหนก็สบายทั้งนั้นแหละผู้มีธรรมภายในใจเพราะนั้นการหน้าการสงวนตัวจึงเป็นสิ่งสําคัญการแก้งหาตัวเองก็ดีการดัดแปลงตนเองก็ดีการฝึกทรมานตนเองก็ดีเป็นสิ่งที่เยี่ยมตทำหลังหน้ากาที่ท่านสอนไว้กระพุ้ยไ้เจ้าจะเป็นผู้เยี่ยมในโลกในสงสารให้เราท่างหลับหน้ากาบไร้บูพการก็คิด พระองค์เป็นผู้ฝึกผู้ทรมานพระองค์เลยจนมีชัยชนะอย่างเต็มภูกในหลักธรรมท่านสอนไม่ว่าโดตาสร้างกาเซนะ้ังยามีมานิเซจีหนึ่งเพียงกันจากทีมัตแก่หลังเสเวทังยามันคิดแต่มโม่การชนะผู้อื่นนั้นคุณด้วยล้านก็ตามไม่จัดจะเป็นความชนะอันเฉยเลยนอกจากการป่อเวีนเท่านั้น ครูมาชนะตนเองคือชนะที่เล็ดซึ่งเป็นตัวสำคัญอยู่ภายนตนเองนี้เพียงคนเดียวเท่านั้นก็เป็นผู้กระเสริฐสุดแล้วการชนะจึงไม่มีจุดใดที่จะเป็นจุดกระเสริฐยิ่งกว่าการชนะตนเมื่อการชนะตนเป็นเห็นแล้วเป็นสิ่งที่กระเสริฐแล้วการฝุกการทรมานตนก็เป็นเรื่องกระส ในหลักธรรมหนวาว่าวิริ ย, ยนะนภุคมาจเจติคนจะหลวงพ้นทุกข์ไปได้โดยลํๆๆๆาดับลัดับเพราะความเพียรมิชนนัคือความเพียรในทางที่พชอบตามหลักธรรมที่ทั้นสอนได้ก็หลุดพ้นทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องของลิเอียดไปโดยลํำดับลำดัะเราจะหลุดพ้นที่ไหนมันติดขัดที่ไหนก็แก้ที่ติดขัดนั่นก็ผ่านไปได้ทีนั้นก็หลุดพ้นกันจะได้ที่นั้น น้ำมีอะไรติดขัดนอกจากกายพราะติดขัดตลอดเวลาถึงจะคิดไปภาค้าเดินดินที่ไหนก็ตามสิ่งที่ติดขัดนันก็ขัดอยู่ที่หัวใจของเราเอีกคิดไปได้เท่าไรก็คิดไปได้ไ ด, ไได้วความขัดห้องยุ่งหยิงภายใ น, ในใจิตใจอยู่นั่นแหละถ้าไม่แก้สิ่งที่ขัดขวางทวงใจนี้ออกเสียได้เมื่อไหร่สิ่งนี้ที่ต้องขัดขวางตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดในภพใดชาติใดคิดไปถึงโลกสงสารผีทวีทุกทาง มันก็เป็นไปกพราะด้วยความขัดขวางตัวเองอย่างนั้นพระอาจารยท่านจึงสอนให้คอน้ํามคึกฤทธิ์อัตระขึ้นพิมน์ภ า, ายในจิตใจนี้ออกได้ด้วยความเพียรแค่ไม่ต้องไปหาความสุขที่ไหนไม่ถามหาความสุขที่ไหนเมื่อหมดทิฏฐิแล้วความสุขก็ปรากฏึ้นมาเองโดยก็มู่ล้านพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นซึ่งทรงทรมานพระองค์จนติดความสามารถซึ่งไม่มีใครที่จะจะทําได้อย่างพระองค์อืม แบบสมบัตรที่เป็นตรณะของพวกเราก็คือพระพุทธเจ้าทรงดําเนินมาแล้วอย่างนั้นถ้าสนาจริงไม่ใช่ช่วยพอที่จะปอกเอามากิน ง, ง่ายง่ายพอมาวอมเทนก็ทวงเอานี้เอาสินเอาคุณค่าจากการคิณปฏิบัติทั้งๆ ท, ที่เวลาปฏิบัติทุตโธตโมตั้งโคไม่ชาบว่าจิตนั้นนี่เร่ร่อนไปที่ไหนออกขวีดไหนบ้างก็เมือนดูแล้วก็มาทวงเอาคุณงามความดีวันนั่งสมาธิก็เป็นเวลานานไม่เห็นปรากฏ ผลอะไรเลยจะปรากฏอะไรก็ไม่หาผลที่ควรจะปรากฏแต่จะหาผลสิ่งที่ไม่ปรากฏสิ่งที่ไม่ต้องการมันก็ได้สิ่งที่ไม่ต้องการเข้ามารครองแล้วกลับเป็นเขาครองเรามีแต่บังคับปัญชาจิตใจให้ดุมร้อนถึงโมงอยู่ตลอดอยู่นะนะถ้าดันเนินตามหลักธร ร, รมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจริงแล้วทำจะไปไหนถ้าไม่ปรากฏขึ้นที่ที่ถูกต้ ที่เราดําเนินในทางถูกต้องต้องเกิดขึ้นทีหนั่นพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นที่นั่นเวลาบําเพ็ญก็บําเพในจุดที่ถูกทําที่ต้องดีงามที่ให้ความโอบล้มเย็นก็ต้องเกิดขึ้นทีหนักพระองค์ได้ผลานะของโลกก็ได้มาด้วยการประพูดปฏิบัติการจัดพิเรศวะในพระองค์เองโดยความออกเป็นเอาตายเข้าไปว่ากันเราจุเดียนจะรูกๆครคำแล้วจะเอามงโกมิพานที่มาอวดโลกมันอวดไม่ได้นอกจากเอาพิเลศมาอวดเท่านั้น ท, ทั้งก็นังกระถานี้แต่และองค์ละองค์ก็เหมือนกันบางมาองค์นั้นฝ่าเท้าแตกเดินจนกลมจนกระทั่งฝ่าเท้าแตกเราฟั ง, างาาบงางองค์ตาแตกพอาะตาแตกมืดดับทุบลงไปความสว่างเจ้าพระนก็ปรากฏขึ้นผู้ที่เดินจนกลมจนฝ่าเท้าแตกกิเลสก็แตกไปด้วยกัน่เรามีต้องการทำแตก นี่เลยไม่ได้แตกเพิด้วยมีแต่ทําแตกพอนั่งภาวนาก็คู่หนึ่งทำแตกแล้วจิตไม่ทราบไปทิศไหนแระดอนใดดานแดนใดทําแตกนะถ้ายังไม่เข้าใจว่าทําแตกก็ควรจะทราบถือว่าทําแตกแตกอย่างไงแล้วนั่งภาวนาก็เอาแล้ ว, เ อ, ลวเอาเร่อเวลามาจับกันแล้วเนี่ยนั่งในคู่หนึ่งยามหนึ่งก็ไม่ได้เรื่องทั้งๆ ท, ที่นั่งนั่นจิตก็ไม่ได้เอาเรื่องกับ ถิ่กับทำเอาแต่เรื่องที่เรศสัญหาเพระมายุ่งอยู่ภายใ น, ในจิตใจพอออกมาก็ทวงเอาคุณเอาค่าเอาสมาธิเอาปัญญาอาวิมุตต์จากการนั่งอย่างลอยลมนะเมื่อไม่ปรากฏก็เกิดความน้อยเนื้อตําใจว่ามีเรามีอานาจว่าแต่น้อยไม่ควรเกี่ยตสะนาไม่ควรเกี่ยทาคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคนอาภัพนะี่ยตอนเราสร้างความอาภาพัพเสร็จเราในขณะที่เราคิดอย่างนี้เราก็ไม่ทราบ กือิเดษถ้าให้สร้างเขามาพัดอย่างนี้ให้สร้างความคิดความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาก็ยิ่งเป็นการทับผมโจมตีตนเองยิ่งให้ให้แหลกเถื่อขออ้อปรีจนเป็นความคิดที่ดีแล้วหรือความคิดอย่างนี้ถ้าเราไม่ถ้าเราจะแก้กพิเดษมันจะแก่นชนิดใดพิเดษเป็นประเภทใดประเภทที่คิดอย่างนี้เนี่ยคือเรื่องของพิเดษอย่างโดยดีถ้าเราจะพิจาร้าเป็ น, น, นหลักธรรมบุตรพระเจ้าก็อพระพุทธเจ้าได้แบกอานาจวัฒนามาจากที่ไหนถ้าไม่ใช่ได้มาด้วยการฆ่าการอบรมโดยโดยพระองค์เอง ด้วยความภาคเคียงเราจะสร้างด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีนั่งจีนนอนจีนด้วยความเจยดช้านาง่ายอ่อนแออย่างนั้นหรือนั่นไม่ใช่ทางสร้างธรรมะนอกจากเป็นการสร้างที่เละขึ้นทายในหัวใจให้เป็นเป็นหาที่ไปไม่ได้หนักซึ้งไปด้วยความทุกข์ความทรมานเพราะที่เละเป็นผู้ผิดขึ้นมามากม า, ายใส่กองภายในใจิตใจด้วิธีการหุกอุบายปัญญาแก้ที่เละแล้วก็แก้อย่ ตามหลักธรรมหาให้ธนะตัวเองแค่ตัวเองที่เลดอยู่ที่ตัวเองนั่งมาได้เรื่องอนั่งจนได้เรื่องทําไมจะไม่ได้เรื่องพระพุทธเจ้าท่านนั่งท่านได้เรื่องเลยทางดีล้วนั่งทํามาได้เรื่องดวลาทางวุ่นวายเพราะเหตุอะไรค้นหาต้นเหตุสาเหตุให้ดีแล้วจะทราบสาเหตุอย่างชัดเจนขึ้นมาที่ใจ ต่อไปนั่งจะถูกต้องแน่นยำในการประพฤติปฏิบัติในการคิดอ่านแต่จองอะไรทั้งหมดด้วยสติเป็นผู้ควบคุมมีปัญญาเป็นผู้เบิกบุกเบิกทางความร่มเย็นจนจุกจะปรากฏขึ้นมาโดยลําดับําดับไม่ต้องคิดหาอํานาจรัศมนามาจากไหนจะเกิดขึ้นจากการทำคุณงามความดีโดยถูกต้องตามหลักธรรมของเจ้าสอนนิทานนและจะเป็นเจ้าของสมบัติแห่งศาสนธรรมที่ปรากฏเด่นอยู่ภายในจิตใจธโมปาดิโป ความสว่ า, างเขาจางแจงเกิดขึ้นทายในใจเขาพิเดียดับปู้๊บจนไปหมดตัวอำนาจของความเพลียนนี่แหละศาสนาจเจริญเจริญที่หนึ่งและผู้ทรงศาสนาก็ทรงที่จิตใจอํานาจวาสนามีมากน้อยก็จะทราบที่ใจดวงนั้นโดยไม่ต้องสงสัยว่าวาสนานี้เกิดมาจากไหนก็มาเกิดขึ้นมาจากความเพียนของผู้ไม่อ่อนแอต้องการท้องขอทุกท่านธุ์นำไปที่นิสัยที่เกิดมาการกล่าธรรมนนี้เป็นธรรมน์ป่าออการย สูงๆต่ำๆรูปเรนดอนจึงขออภัยจากความผิดพลาทั้งหลายโดยทั่วถึงและขอย่าเียงกั